ในช่วงของการคุยธรรมะที่เราจะมาพบกัน ในช่วงของการอธิบายนั่นคือการคุยต่างๆที่เราเคยพูดคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมาคุยให้ฟังเอ่อที่เราได้คุยๆ นิพพานเป็นยังไงเอ๊ะเราจะไปถึงได้ยังไง นะ, 8 นะมรรคอยู่ นะ, 8 อย่างในเวลาที่เราจะ นะ, อริยะบุคคลละขั้น 1 ละนั่นคือการที่เราจะไปถึงสิ่งเป็นนิพพานได้เนี่ยเอ่อพระเป็นขั้นเป็นขั้นอ่ะ อ่าวัดด้วยจํานวนชาติที่จะไปเกิดอีกนะเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมชาติสุดท้ายนั่นก็คือเป็นอนาคามีนะถ้าลบมาอีกก็ 1-2 ชาติเป็น นั่นก็ถึงแค่โสดาบันก่อนท่านผู้ฟังนะว่าสักบุคคลใด เราก็มองไปรอบๆเดินไปที่ไหนบ้างหรือเรา อยู่บนเส้นทางของการที่จะเข้าถึงกระแสนะผู้ฟังอยู่บนเส้นทางของการเข้าถึงกระแสสู่นิพพานนะเป็นโสดาปัตติมรรคนั้นคือโสดาบันเนี่ยแบ่งออกเป็นอีกอย 2, 2> ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นมรรคกับส่วนที่เป็นผลนะโสดาปัตติมรรค ที่เอ่อจะมีคุณสมบัติก็คือว่าไม่ปินสมมุติเราดูที่แม่น้ํา นะมันกระแสน้ําตรงกลางแม่น้ําเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงกระแสน้ํานี้แล้วเนี่ยบังคับให้ถูกไปๆอยู่ในกระแสนี้ไปนอนนะ น่ะกำลังว่ายไปหรือว่าถ้าเราเรียกว่าจามเรือพายเรือก็ค่อยๆไปนั้นก็กว่าจะมันถึงถึงกระแสน่ะๆเนี่ย ไอ้สังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดของเรามันหลุดไปนะหลุดไปอย 3 อย่างนะตรงนั้นเราก็จะเกิดความ แต่แต่ว่าก็มีศีลหลักนะมีความมั่นใจในพระแตแต 10 อย่างนะที่ ไปไหนก็ไม่ได้นะฟังคิดดูเหมือนสุนัขเนี่ยถูกผูกอยู่ผูกคออยู่จะยืนจะเดินจะนั่ง 10 อย่างใช่มั้ยเอา ไอ้สมมุติว่า 10 ซม. ณที่พวกเราอยู่ณพวกอยู่ตรงตรงนังเลยแล้วตัดได้ 3 ซม. นั้น 3 ซม. อ่าอันดับแรกก็คือว่าความ 5 ถูกต้อง นะยังละไอ้พวกอุปาทานยังละความยึดถืออะไรยังไม่ได้คือ ได้เต็มๆนั่นก็คือละได้หมดเลยทีนี้ นะคุณได้ยุบบนสนทนานี้นะหรือว่าถ้าเรารู้สึก มีทั้งไอ้พวกนักฆ่าที่มันเหาะได้มีฤทธิ์แล้วมันตามมาจัด ออกการไม่ลัก 7 ข้อนะๆนั่นคือคุณอยู่บนโสดาปฏิมากะอยู่บนทางยัง ทำไม่ได้นะในการที่จะเป็นโสดาปัตติผล 3 อย่างไม่ได้ยังไม่ แล้วคุณอาจจะมีชาติที่ 8 ชาติที่ 9 ชาติ 10 ไม่แน่ 2 มนุษย์ชาวหรือเปล่าคุณจะๆเพราะฉะนั้นถ้า นะคุณแท้เลยท่านผู้ฟังอย่าเสียโอกาสทันทีอย่าเพิกเฉยอย่าจริงๆ อย่าทําการกาละนะๆเพราะว่าโอกาสอย่างนี้มันหายากมากไหนอย นะโต 1 ส่วนเป็น นะ, นะ, 3 ส่วนเนี่ย 4 ส่วนเลยเลยนะแล้วก็เอ่อมีลมเหนือใต้ออกตกพัด 1 นะแพะอัน 1 ยกลงไปแพ พระเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นณที่จะเกิดขึ้นว่าไอ้เจ้าเต่านี่มันพลอหัวขึ้นมาแล้วมันเอาหัวสุบเข้า โอ้โหยากมากนานๆมากกว่ามันจะทําหรือว่าขึ้นหายใจอยู่แต่อยู่คนละอีกร้อยปีนานๆมากทีเดียวและเพราะว่าโอกาสอย่าง ในการที่จะมีคําสอนพระพุทธเจ้าที่จะดํารงอยู่พระพุทธทีบุรุษบางองค์เนี่ยในบาง นั่นที่เราจะต้องมาทําความศึกษาเข้า 8 น่ะมันต้องได้ไหนให้ 8 ก็จะสามารถ แล้วก็